พระธรรมเทศนาแผ่นที่94ลำดับที่2โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่16เมษายน2559มีชื่อเรื่องว่าข้อวัดปฏิบัติวัดป่าวันตาดตอนที่1 อ๋อลูกหลานอยู่ในความสงบป่านเลยเมื่อกี้นี่กก ย, นยมฝรั่งมาจากอเมริกามาตะไวขนมปังลงพอลงพอเลยว่ t ัดแตงกียวิเลมัชอ้าวเป็นตะไวของเข้าเข้าก็าต้อง Thank you แล้วใช่ไหมพุ่ <c oughs> น่ะจะนี่ห้องได้ลูกหลานเลย จะเป็นห่องห่อนจะเป็นห่องขนสิตกกระบโหหลอ ว, วะค่อยๆบึงเนะวะห่องมาโดนเลยเนี่ยยิ่งเสียงเนี่ยอยู่ในวัดอย่างแวแววๆอยู่เลยวันนี้เป็นวันที่สิบหกเมษายนพุทธศักราชสอง9ห้าอยห้าสิบวันที่สิบสามที่ผ่านมาก็เป็นวันสงกรานของพวกเรา เป็นวันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่12 13 14ส5 16 17 16้าวันนี้เป็นวันเสาร์วันที่17เป็นวันอาทิตย์หยุดหลายวันคราวนี้จุดสงกรานต์ครั้งนี้แต่ถ้าว่าผู้ที่จะทำให้เกิดประโยชน์ก็เกิดประโยชน์อย่างมากเพราะเหวาเพราะวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เราจะไปทำธุระการงานคบค้าสมาคมมุดน้ำรำหัวญาติผู้ใหญ่เราก็ไปได้แล้วไปทำบุญทำทานที่ไหนไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในจิตใจของพวกเราเราก็ไปได้เพราะหลายวันเราจะไปพักปฏิบัติภาวนารักษาศีลในทุกช่วงเทศกาลปีใหม่ปีใหม่ไทย เราก็ไปทำได้เพราะว่าเป็นวันหยุดหลายวันเป็นประโยชน์แต่ถ้าว่าผู้ที่จิตใจไฟทางต่ำก็ใช้ประโยชน์ตัวเนี้ยหลายวันวันเนี้ยไปทำมิจฉาชีพเ อ, อบออยมกทุกอย่างดื่มน้ำเมาเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันครอบคนชั่วเป็นมิจ เที่ยวเตร่ทำความชั่วเสียหายก็มากมายอีกมันกัดว่าอะไรเพราะมีเวลามาก เ, าเวลาตัวนี้แหละจะใครจะทำให้เปิดเกิดประโยชน์หรือใครจะทำให้เกิดโทษกครฉุดแท้แต่ถ้าวาเป็นผู้มีปัญญาก็ ค, ควรจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะลูกหลานนะท บ, ท, บทวนดูเราจะไปอะไรเราจะทำอะไร มันจึงจะเกิดประโยชน์มากที่สดุดอันนี้คือคือผู้ที่ใช้ปัญญาใช้แนวความคิดถ้าว่าผู้ไม่คิดเนี่ยแปลว่าเลื่อนลอยไปเรื่อยแต่ละวันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านลูกหลานทุกคนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์วันสองวันมาแล้วหลงพ่อเองได้พูดเกี่ยวกับ ปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานท่านพาดําเนินมาอย่างไรที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมีแต่อ้างว่าปฏิปทาครูบาอาจารย์มันมีมากเหลือเกินอย่างพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสพันพระธรรมขันปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาหลวงปู่ล่าหลวงปู่มั่น แทนที่พวกเราได้ลูกหลานได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้มีหลายระดับในเมื่อเข้ามากับครูบาอาจารย์ในช่วงหนึ่งท่านก็วางแผนอย่างหนึ่งถ้าหากว่าคนมีน้อยท่านก็ทําอย่างหนึ่งถ้าคนมีมากขึ้นมาท่านก็ทําอย่างหนึ่งถ้าคนมากจริงๆท่านก็ทําอีกอย่างหนึ่งจะให้ทําเหมือนคนคนน้อยก็ไม่ได้ลูกศิษย์หลวงพ่อก็เหมือนกัน สมัยเมื่อหลวงพ่อยังมีคนน้อย เ, อเวลาเข้ามาหลวงพ่อก็วางเป็นวิสาสะในบรรดาลูกศิษย์ที่มันน้อยคนจับเข้าคุยกันมีอะไรก็ได้แต่มันมีคนมามากขึ้นมาเราจะไปทำอย่างเก่ า, เ, าเหมือนกับคนน้อยวิสาสะอย่างเก่าหรือว่าพูดอย่างเก่ามันก็ไม่ถูกกิเหมือนกันเราต้องรู้จักการเทศะการสถานที่บุคคล ในเขามาหาแต่แต่หลวงพ่อเองล้วจะทำยังไงเราจะให้ทำทได้ทั้งอย่างใจอย่างทุกคนอย่างที่พวกเราอยู่ด้วยกันสมัยน้อยก็ไม่ได้เพราะมันคนมันมากเราก็ต้องเก็บตัววางตัวในระดับหนึ่งให้เป็นพระเป็นพระสาธารณะนี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละคือปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่หลวงพ่อเข้าไปศึกษาเรียนรู้ถ้าสมมติเราอยู่กับหลวงปู่ล่าสมัยเป็นเนนน้อยพื้นกระดานก็เป็นไม้กระดานฝากไม้ไผ่ใช่ไหมมีด้วยกัน 3- าสองค์บินธบาตมาแล้วกันยอยู่บัตรของบัตรของใครของเราก็ดูดูมาเฉลี่ยอาหารกัน อ, องค์ไหนได้ยังไงก็แบ่งแบ่ ง, บงอาหารอพอนั่งก็เข้าไปนั่งประจําที่ กระโถนกับกระโถนไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่ก็วางไว้กับจะตั้งไว้ก็ไม่ได้เพราะเดินมันพื้นฟากใช่ไหมล่ะเขย่าเขย่ากระโถนกระโถนมันก็ล้มใช่ไหมก็ต้องนอนไว้ก่อนจากนั้นพอเข้านั่งประจําที่แล้วค่อยตั้งกระโถนขึ้นมาแล้วก็ยัดพวกอใบไม้ที่ห่ออาหารที่เขาห่ออาหารก็ยัดเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่เป็นกระโถนฮะ สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็เคยมาทั้งหมดสมัยจนก็ยังเคยเจอสมัยเคยรวยก็อย่างที่ ล, ลูกหลานได้เห็นเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อจะรวยมาตลอดไม่ใช่หลวงพ่อเป็นพระกรรมฐานอ่เป็นสมัยเป็นเนนยากจนอย่างไรหลวงพ่อเคยมาหมดเพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่ลืมตัวสรุแล้วรวยก็ไม่ลืมตัวสมัยจนก็ไม่ลืมตัวจะจนก็คือว่าจนสมัยนั้นวางตัวอย่างไร ขณะที่จนวางตนอย่างไรขณะที่รวยวางตนอย่างไรขณะมีมากมีน้อยอต้องรู้จักการวางตัวไม่ใช่ว่าสามัยมันรวยก็จะหัวเราะ ย, ยิ้มอยู่ทั้งวันก็ไม่ใช่สามัยเมื่อมันจนก็จะร้องไห้อยู่ทุกวันทั้งวีทั้งวันก็ไม่เช่นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นให้รู้จักในการวางตัว อย่างที่หลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงปูป่ล่าเอาเถอะสมัยนั้นเป็นเนนแต่หลวงพ่อจะมาเล่าเรียงลําดับให้คณะศรัทธาญาติโยมพระเนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเนนเรื่องกัลูกหลานาที่เข้ามาศึกษากับหลวงพ่อเนี่ยสมัยหลวงพ่อเข้ามาอยู่วัดป่าบ้านตาดปีสองพนห้าร้อยสิบสอเนีหลวงพ่อจะเล่าเป็นประเด็นเรื่องบางเกล็ดควรจะรู้ให้พวกเราท่านทั้งหลายฟัง แต่เมื่อวานนี่ยเกิรู้ในระลับหนึ่งแต่วันนี้หลวงพ่อก็จะเลี่ยงอีกแนวแถวแน ว, แนวหนึ่งเอเพราะว่าอย่างพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ากว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์มากมายแต่หลวงพ่อนคงจะไม่กล่าวถึงขนาดนั้นกล่าวประเด็นที่ว่ามเมื่อเข้าไปอยู่คู่บ้านจานะทํำยังไงเพราะหลวงพ่อสมัยเข้าไปอยู่หลวงพ่ออายุก็เพียงยี่สิบสี่ปีนะลูกหลานนะ พันษาสี่นะเข้าไปอยู่กับองค์หลวงตาเข้าปประมาณนี้ละประมาณเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยอากาศกำลังร้อนๆชวนนะเข้าไปศึกษากับท่านก็ เ, เป็นพระน้อยพระหนุ่มแต่หลวงพ่อเนี่ยใยในการศึกษาพอหลวงปู่ล่าท่านบอกว่าจะเข้าไปอยู่ใกล้จะไปหาครูบาอาจารย์จะเป็นอยู่องค์ไหนก็ตามนะเราจะไปอยู่ห่างเพ่อนเนะ ใ ห, ให้ไปอยู่ใกล้ให้ไปรับใช้เพิ่นเพราะว่าเราจะได้รับความรู้ความฉลาดแต่อย่างน้อยก็ได้ยินได้ฟัง เ, เป็นตาได้ดูหูได้ยินจาตาใจของเราได้สำเน็กเพราะเราเข้าไปอยู่ใกล้ท่านท่านจะให้ความรู้ถึงจะดุดาว่ากล่าวยังไงท่านก็ไม่ฆ่าไม่เตะหรอกเออพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านดุดุเพื่ออะไรดุก็อยากจะให้เราได้ดีนั่นแหละ เพราะฉะนั้นอย่าไปไกลนะอย่าไปอยู่ห่างไกลครูบาอาจารย์จะไปอยู่อยู่ที่ใดก็ตามอันนี้คือหลวงปูล่ลาท่านสอนหลวงพ่อในสมัยเป็นเนร น, นะคือเข้าให้เข้าไปอยู่ใกล้ให้ไปรับใช้ถึงจะดุด่าว่ากล่าก็ยอมรับเพราะเราก็าไปเพื่อการศึกษาเพื่อเพื่อการเรียนรู้ท่านจะสอนอยังไงท่านจะจะให้จะดุด่าว่ากก่าย่างไรอันนี้แหะคือหลวงพ่อเข้ามา ที่หลวงพ่อเข้าไปกุบาอาจารย์องค์อื่นไม่พูดละแต่ในหลวงพ่อจะพูดเฉพาะเข้ามาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเข้ามาหลวงพ่อกใส่ใจศึกษาเข้าไปเรียนรู้ทางกระดุด่าว่ากล่าวธรรมดาองค์หลวงตาเนี่ยลูกศิษย์ของหลวงตาเนี่ยถ้าหากว่าใครมาอยู่กับองค์หลวงตามหาบัวน่ยไม่ไม่องค์ไหนไม่ถูกตุไม่มีนะลูกหลานนพูดอย่างนั้นได้ถ้าใครก็ตามเข้ามาใกล้หลวงอยู่กับหลวงตาแล้ว จะไม่ถูกดุดาว่ากล่าวนะีไม่มีเพราะลงตาเป็นผู้มีปัญญ า, าท่านมองอะไรท่านมองเห็น เ, เห็นแล้วก็นั่นนะจุดที่มันบกพ่องเนี่ย น, นะท่านก็จะตำหนิแหละไม่ใช่เราจะบกเราคนมีกิเลสใช่ไหมละ่ะจะให้บริบูรณ์ทุกครั้งมันเป็นไปไม่ได้บางทีมันก็แลบออกไปไปทางกิเลสออีกกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงนั่นใน จ, ใจิตใจ พอท่านรู้ทันก็ใส่เปียงปัดมือจุดจะทําทำนะ อ, อันนี้เราก็ได้เข้าไปใกล้ท่านนี่นะอันดับแรกก็คืออยู่ด้วยท่าน อ, อยู่ด้วยความระมัดระวังคล้ายๆว่าหลงตาเนี่ไม่เคยชินไม่คุ้นเชื่องกับใครๆทั้งหมดในบรรดาลกสิธิ์ใครว่าใหม่อยู่เสมอเราเข้าไปถึงจะอยู่นานก็คือใหม่คาว่าคุ้นเชื่อง วิสาสะกับท่านท่านไม่ดูหรอกท่านไม่ว่าอะไรหรอกนายเอกอย่าไปคิดนะถ้าวันดีคืนดีท่านมองเห็นแล้วก็สิ่งไหนที่มันแต่เสียหายอะไรท่านจะเปี้ยงเปียงนะดุทันทีเลยเหมือนกับท่านเป็นครูมวยลักษณะอย่างนั้นนะเป็นครูมวยทางว่าลูกน้องตัวเองจะเพียงพ้าจะเสียเปียบเผานะสอนมวยให้ปิดหน้าอกนะปิดหน้านะปิดท้องนะ ถ้ายังเปิดท้องอยู่ก็ใส่เปี้ยงเข้าไปท้องอ่ะปิดท้องฮะลักษณะอย่างนั้นลงตาสอนลูกศิษย์นะเพราะนั้นเราอยู่กับท่านถึงจะอยู่นานขนาดก็ได้ไหนก็ตามคำว่าวิส า, าสะหรือว่าตายใจหรือว่าลงตาท่านไม่ว่าให้เราตอนนั้นไม่ไม่เคยคิดในใจเลยระ ว, วังระวังอยู่ตลอดออถึงจะมาอยู่ที่นี่ก็เถอะเวลาเข้าไปก็ตีเวลาท่านมาก็ตามหลวงพ่อไม่เคย คุ้นเชื่องคุ้นคุ้นเคยกับท่านนะไอ้ครับว่าเป็นผู้ใหม่อยู่เสม อ, เ, อเข้าไปที่ไรก็อ่อนน้อมถ่อมตนกับครูบาอาจารย์เนะนี่แหละเมื่อหลวงพ่อเขาไปอยู่ใหม่ๆไปอยู่ที่วัดป๋าบ้านตาดนะก็ศึกษาแนวทางแนวปฏิปทาของท่านพอรู้แล้วเนะี่ยการหลงเรื่องหลวงพ่อหลวงปู่ราดที่ท่านได้สอน เ, อเข้าไปอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์อันดับแรกนะเราก็เข้าไปล้างกระโถนท่านตอนเช้านะ ทั้งที่เราเป็นอายุ24ปีแล้วนะตอนเช้ามาก็เราไปล้างกระโทนพอโดยมากพระที่เข้าไปก็สมองค์สมัยนั้นก็มีท่านยูนท่านจอนแล้วก็ท่านกูบาสมพรสามองค์ที่เข้าไปพอต่อมาเนี่ยกูบาสมพรก็รู้สึกว่าท่านเป็นประสาทประสาทพวกอาจารย์ประยูนท่านจอนก็เลยให้หลวงพ่อเข้าไปแทน หลวงพอ่อเคเข้าไปแทงกระล่างกระโถนเวลากระโถนลงมานะีกระโถนมีกระโถนปัสสาวะของหลวงตาที่ท่านด้วยมากท่านเปิดปัสสาวะเพราะท่า น, นยังไม่มีห้องน้ําสมัยนั้นข้างบนนะแล้วก็มีกับมีกระโถนกระโถนหมากเล็กๆและกระโถนปัสสาวะของท่านโถปัสสาวะนะออพอมาเสร็จแล้วท่านก็มาวางไว้หัวบันไดแต่ที่แรก พอไปถึงพอไปถึงตอนเช้านะพอไปถึงตอนเช้าพอเช้ามื่อพอะพ่อเพนเนะเราก็ขึ้นไปถึงไปถึงกันกะลามะพร้าวของใครของเรากะลามะพร้าวสองอันตัดครึ่งนะจากนั้นก็ถูถูชาลาถูข้างนอกทั้งสามองค์นะถูคอนมมงกันพอสาสามข้างถูถูช่วยกันถูถูกับพื้นพอถูเสร็จแล้วก็ปัดกวาดพอปัดกวาดเสร็จแล้วพอสว่าง จะเป็นวันใหม่ลงตาก็เปิดประตูก๊อกแกเปิดเปิดกรอนนะพอเกิดพรท่านก็แย้มประตูออกมาพระที่เข้าไปนั่นคือเข้าไปองค์หนึ่งก็เข้าไปเอาบาทจีวรขึ้นใส่บาแล้วกันออกม า, อ, าออกเดินออกมาองค์ที่สองเข้าไป เ, าเข้าไปก็ไปดูกระโถนดูกา้ํา ดูสิ่งของที่ของหลวงตาได้ใช้พอเสร็จแล้วหลวงตาก็เดินหลวงตาเนี่ยได้กระเป๋าตลับหมากของท่านนะตลับหมากอันหนึ่งแล้วก็ผ้าจีวรของท่านผ้าบ่าอันหนึ่งแล้วก็ถือตลับหมากทั้งเลยเดินลงมาศ า, าลาล่ะแต่พวกเราก็อยู่ในนั้นหละ่ะพอไปศาลาพวกพระอยู่ที่ศาลาก็มีหลวงปู่ลีหลวงปู่บุญมีกูบาจาัน พระฝรั่งทั้งหมดนะเอีมีกระลามะพร้าวของไครของเราถูสาลาเนเอยถูเหรียงหน้ากระดานกันต่างคนต่างถู่ะอือพอถูเสร็จแล้วลงตาก็ลงไปท่างก็ไปกราบพระเนี่ยนกราบพระกันกราบหกองค์นะกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆกราบด้วยความเคารพจริงๆนะลงตากล่าบพระนะพอกราบพระเสร็จแล้วท่างก็กราบหลวงปู่มั่น กาบหลงปู่เสาหลงปู่มั่นเจ้าคุณธรรมะเจดีแล้วก็กาบสมเด็จสมเด็จวัดบวรสมเด็จชื่น อ, องค์พ่อผอมนะแล้วก็จะกลา่าวเจ้าคุณธรรมะเจดีเป็นพระอุปชาของท่านกาบพระอาจารย์สีพระอาจารย์จากนั้นทขาก็มานั่งนั่งที่นั่งของท่านท่านกดดัดดัดเส้นนะแตนี่กลางขาออกแล้วก็ก้มหัวลงแล้วก็ดัด แต่พวกพระเนี่ก็ถูศาลาล้ อ, ลอมรอบนั่นนี่นนนบางทีท่านก็บางทีท่านก็ถูอีกเหมือนกันนะลงตากระจับกลาม่าเพาถูพื้นกันท่านก็ถูถูไปตามนั่นนะแต่พวกเราเนี่ยถูเอาจริงเอาจังพอถูเสร็จเรียบร้อยแล้วลุกขึ้นพวกที่ทำสารความสะอาดเสร็จแล้วก็จับไม้กวาดคล้องไข่ของเราปัดกวาดพอปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว สายที่หนึ่งคือสายตะวันตกหลวงพ่อจะไปไปที่แรกไปบินท่าบาทหลวงพ่อจะบินไปบินท่าบาทสายของหลวงตาพอสายหลวงตาเนี่ยท่านจะให้พระฝรั่งหรือพระผู้เท่าเดินตามหลังท่านเพราะพันไปสายที่หลังไ ป, ไปสายที่หลังเพราะไปสายสั้นกว่าแต่ในพระโดยมากพระฝรังที่พระผู้เท่าเดิน แต่บินธบัติแต่หลวงปู่ลีจะไปบินสายเกิดกับหลวงตาแต่สายตะวันตกนั้นเป็นสายหลวงปูบ่บนมีเป็นหัวหน้าแต่หลงพ่อกขาไปไปบินธบาตสายหลวงตาที่แรกไปไม่กี่วันนะเไม่ถึงสองอาทิตย์มั้งหลวงตาท่านกระ บ, บอกไอ้พระนมจะมาบินธบาติสายนี้ยังไงสายนี้คือสายพระที่นั้นนะ่ะอพวกที่มีกําลังจะมาอยู่ทําไมไปไปสายโน่ะ อหลวงพ่อก็เลยไปสายตะวันตกเลยแต่เนี่ยเพราหลวงตาท่านสายตะวันออกถึงคือสายพระภูเท่าสายพระทิพย์พิการหรือว่าพะระฝรั่งที่เข้ามาใหม่ที่เดินเหยียบก้อนหินนแลวอวหินดินมันพองตีนพอง น, ะน่ะมันเดินไม่ได้ น, นี่ท่านจะให้ไปไปสายนี้น่นแหละหลวงพ่อก็ไปบินถบายสายตะวันตกกับหลวงปู่บุญมี โดยมากเฉพาะสมัยนกักพระสิบเจ็ดส1บองค์สิบหกอเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็22องค์เป็นอย่างมากนะสมัยหลวงพ่ออยู่นะตั้งแต่2512นะปี2525เ25นะี่ยพระมากที่สุด25องค์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะที่หลวงปีหลวงพ่อออกมานะนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงตาออกมาจากกุฏิได้ตรับตรับมากพาะจีวรพาดบา่าท่านก็มานั่งกราบพระเสร็จแล้วกันออกกําลังกาย จากนั้นพวกเราดูกุฏิของท่านหลวงพ่อนะไปปีทปี่ปีครึ่งปีหลังเนกะือบครึ่งปีหลวงพ่อนะได้ไปล้างกระโถนให้ท่านนี่แหละเวลาล้างกระโถนกระโถนหมากนะกระโถนน้าห ม, มากของท่านให้กระโถนเล็กๆนะนั่นแหละถ้าเราไปเห็นกุฏิโลวงตานะ่ะมันมีต้นขนุนต้นหนึ่งจุดหน้ากุฏิของท่านนะแล้วก็มีต้นมะพระ้าวอีกต้นหนึ่ง อยู่ทางขวามือต้นกระหนวนอยู่ทางซ้ายมือเวลาเราจะเทกระโถนะเราต้องเขีย่ยเขียเขียควัดใบไม้ออกนะควัดใบไม้ออกให้ใบไม้แล้วก็เทลงเทลงเสร็จแล้วเอาใบไม้กบไม่ให้เห็นน้าไม่เห็นไม่เห็นน้ำมหมากล่ะไม่เห็นน้ำมมหนนำมากของท่านหรือหมากของท่านนะไม่เห็นปิดนี่นแหละใครอยากจะได้หมากของดวงตานะกี่ร้อยกี่พันกี่ กี่ร้อยๆ้อยคำหมากเนะี่ยน่ะอยู่ท่านเราอยู่ทางกุฏิลงตาเนะีเสามุมอยู่ทางทางซ้ายมือนะ่ะน่ะอยู่ที่นั้นมดนะ่ะหลวงพอ่อเทไปแลกับฝังเทแล้วกับถมเทแล้วกับกบเทแล้วก็บกบอยู่นะนะั่นน่ะทั้งวีทั้งวันน่ะน้ำหมากนะเกน่ยกระป๋องน้ําหมากหรือน้ำหมากของลงตานะ่ยอยู่ในดินตรงนั้นแหละนะแต่ว่าถมเนี่ยโดยมากก็ไปเทตรงตรงที่โคลนมะพร้าวบ้างที่ต้นโคลนลำลำไ ย, ยบ้างจากนั้นก็มาล้าง ล้างโดยสบู่แล้วก็เสร็จแล้วก็คอบไวเพราะเราขึ้นไปถูกุฏิของท่านเสร็จแล้วก็ลงมาลงพ่อก็เดินมาดเดินมาก็ได้เวลากันออกไปปินธบาตแต่ครูบาองค์ที่มาได้จีวรกับบาทของท่านมาพอมาถึงท่านกบมาคลี่ผ้าจีวรมาซ้อนผ้าจีวรสังขาติโดยมากถ้าเป็นหน้าหนาวที่ท่านจะซ้อนสังขาติ แล้ก็ น, น่าร้อนของมันท่า น, านจะใช้สอนสังฆติเป็นส่วนมากนะสอนสังกฆติจีบอลบางทีท่านร้อนมากท่านก็ไม่ได้ใช้อีกเหมือนกันนั่นแห่ะทีนี้ก็สําหรับองค์หนึ่งอยู่ข้างในอ ย, อยู่ข้างบนกุฏิของท่านองค์นั้นเลยเป็นองค์ที่สําคัญองค์ที่ดูแลกุฏิจะต้องดูแลเรื่องที่หลับที่นอนจะตอน ที่ที่นอนหมอนมุ้งอันไหนควรจะซักวันไหนควรจะซักวันไหนควรจะเก็บจากนั้นก็ยกของออกมาไว้ข้างนอกที่ท่านใช้ประจําวันของท่านมีอะไรบ้างพวกกระโถนที่มาใช้ประจําวันพวกหมอนที่ใช้ประจําวันที่กาน้ําที่ใช้ประจําวันอันนั้นที่องค์นี้เข้าไปจัดจัดให้เป็นระเบียบเลยนะองค์ไหนมันอยู่ที่ไหนต้องอยู่ที่นั่น ของที่หลวงตาใช้จะหาที่อื่นไม่ได้อันไหนอยู่ที่ไหนต้องอยู่ที่นั่นฮะองค์นี่แนะหละองค์ที่สําคัญฮแต่องค์นั้นก็พอจะไปบิณทบาทโดยมากจะองค์องค์นี้จะไปบินทบาตพร้อมกับองคหลวงตาแต่องก่อนกับไปบิณทบาตสายหลวงปูบ่บุญมีสายตะวันตกนะบันดาลนะเสร็จแล้วอก็เวลาบิณทบาตกลับมา โดยมากบางทีก็สายตะวันตกเนี่ยจะมาก่อนเอเพราะว่าเป็นมีแตพระหนุ่มใช่ไหมมีแต่เดินที่วัดป่าบ้านตาดไม่ใช่เดินย่องย่อ ง, องเหมือนวัดเราเนี่ยเดินอ้าวเลยวางั้นแต่ <c oughs> มีขายยาวเท่าไหร่เก้าเท่านั้นเพราะลงตาเลยอ่อแอรไม่ได้แต่เวลาเดินพินทบาทเนี่ยเวลาเดินพินทบาทเนี่ยเออแต่ท่านไม่ให้ห่างไกลกันคล้ายๆว่าห่างกันประมาณสี่ห้าหกเก้าประมาณนี้แหละ เพราะว่าพี่น้องประชาชนชาวบ้านตากเข้าไปไร่ไปสวนของเขาไปนาของเขาตอนเช้านะ เ, าเวลาเห็นพระมาเขาก็ต้องนั่งปนมมือถึงจะมีควายอยู่ก็จะควายก็ต้องเอาไว้ไว้ข้างๆเพราะปนมมือจนกว่าพระจะผ่านไปซะก่อนเขาจึงลุกหยิบตะกงตะก้าจูงควายเข้าไปทําการทํางานเพราะนั้นหลวงตาเห็นว่าพระจะไปเยือนจะไปเดินห่างกันนะ พอันเสียเวลาเขาเวลาเขานั่งพระต้องเดินอย่าไปห่างไกลรู้จักไหมอย่าห่างไกลอย่าห่างกันเพราะนั้นพระจะต้องเดินไม่ห่างกันเพราะนั้นชาวบ้านเขาปน ม, มือพอเสร็จแล้วก็ผ่านพระไปเขาก็ไปทำการทางานไ ป, ไปไล่ไปสวนของเขาลงตาก็เหมือนกันเวลาบินเท่าบาทพระจะเดินก่อนแล้วก็ท่านก็จะเดินตามหลังแต่ท่านไม่ให้ใครอุ้มบาตรท่านนะ เออล้งตาเนี่ยแต่ไหนแต่ไรเมื่อแหละไม่มีเราทใครจะเอาบาทเอาไปทําไมบาทมันเปา่ามันเบาอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องเอาไปเราจะเอาไปเองเออท่านจะใ ส, ส่ชไทตะบาดตะพายบ า, า, า, าทท่านข้างซ้ายนะท่านก็เดินตามหลังพวกพระพวกพระกันเดินก่อนแต่ก็มองหลังอยู่เสมอว่าห่างไกลจากท่านเท่าไหร่แต่ไม่อยู่ใกล้นะถ้ามันอยู่ใกล้ๆท่มันหม า, ยายอะไรเพศว้านพระนี่หรอ ทำไมไม่ไปอยู่ทำไมเห็นไม่ไม่เห็นหมองไม่เห็นหมองเขาเลยเอ้โหกนั้นก็เปิดแหนบเหมือนกันนะอไม่ให้อยู่ใกล้ท่านนะแค่แค่ว่าให้อยู่ห่างจังหวะพอสมควรนในการเดินของท่านท่านกับภาวนาของท่านไปเรื่อยแต่ท่านพูดได้อย่างหนึ่งนะดวงตาเนี่ยถึงท่านจะฉันมากขนาดไหนก็เถอะเวลาท่านบินบัดท่านจะไม่ฉันหมากโดยเด็ดขาดไม่เคยเห็นท่านฉันหมากในขณะที่ท่านบินทบาทและก็พร้อมกันพระเหมือนกัน่ ถ้าองค์ไหนสู่บุรีในเดนไปเดินบินทบาทเนะ่องค์ติดบุรีไปสู่บุรีเอาเถอะเมื่อหลวงตาเห็นเท่านั้นแหละไล่นี้จากวัดทันทีแล้หลวงตาไม่ใช่ธรรมดานะเรื่องการดูแลพระเนรรู้สึกว่าเข้มงวดกวดขันในการเป็นอยู่ของของลูกศิษย์นะใครเข้าวันลูกศิษย์ทุกองอยู่ในสายตาของห ล, หลวงตาทั้งหมดนะใครผิดเพี้ยนยังไงกับกิริยาเมียนเป็นอย่างไร พอพอพ ข, า, ขากลับมาเนี่ยนะพอวางถ้าถึงทํามันร้อนนะอย่างมันร้อนๆก็มาถึงเงยท่านเดินมาก็เหงื่อแตกนะเหงื่อตกเราก็เตรียมน้ําไว้หลวงพ่อเขาลงไปไปส่งน้ําท่านจัดที่ที่ส่งน้ําท่า น, ท, า น, า น, นท่านก็ไปกระสง้นน้าพอส่งน้ําเสร็จท่านก็ขึ้นมาเราก็เก็บผ้าอาบน้ําของท่านไปตากเป็นที่เป็นทาง เป็นสถานที่ตาของท่านมีพร้อมนะพอขึ้นมากท่านก็นจัดฉันโดยมากท่านจะไม่ได้เทศตอนเช้านะจัดทายาติโยมลูกหลานพราะหลงตาท่านเหนื่อยตอนเช้าเนี่ยคล้ายๆกับท่านเป็นโรคหัวใจถ้าต่อมาช่วงดีหลังเนะี่ยท่านหมดหมอก็เลยตรวจว่าเป็นเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอนะเขาก็เลยให้เลให้ยาหัวใจพอช่วงหลังๆที่ท่านไปออก เทศนาว่าการเกี่ยวกับทองหาทองคลาเข้าคลังหลวงนี่แหละข่าวนี้เราหลวงตามีกําลังแต่ก่อนหน้านี้หลวงตาเนี่ยเหนื่อยนะตอนเช้านะอบางทีท่านก็ฉั้นอัจชันคีมก่อนเวลาพระจัดอาหารท่านก็ฉันนั่งฉันอัญจันคีมคล้ายๆเพรามันมีน้ําตา ล, ลงไปในท้องเอเพื่อไ ม, ไม่ให้เหนื่อยลนะักษณะอย่างนั้นแ่ะเพราะฉะนั้นตอนเช้าอย่างนี้แหละท่านจะไม่เทศท่านจะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้พูด เพราะว่าเกี่ยวกับโรคหัวใจขององค์หลวงตานะปเป็นเลือดเลือดไปเลี้ยงหัวใจนะไม่พอนั่นแหละขึ้นมาก็จัดอาหารก็อย่างที่พวกเราเห็นพวกเราจัดเนี่ยนะหลวงพ่อยึดปฏิปทาของหลวงตานะแต่บางแห่งท่านจะใช้ล้อเลื่อนไหลไปเรื่อยแต่หลวงพ่อเนี่ยป่าเนี่ยหลวงตาท่านพาดําเนินนรกลานอย่างนี้แหละอย่างแจกอาหารจัดอาหาร แต่ว้าวโฮรู้สึกว่าการแจกอาหารของหลวงตาเนี่ยเข้มงวดกวดขันจริงๆนะขนาดหม้อโลเนี่ยนะหม้อหูเนี่ยลูกหลานหม้อลูปเป็นียมสองหูเนี่ยถ้าหากว่าเข้าไปไปจับหูข้างใดข้างหนึ่งไปตักแจกอาหารน่ยโอ้โหพระจะตูโดนไล่ออกจากวัดหลวงพ่อเนี่ยโดนเลย่พ่อเข้าไปใหม่ๆจนได้เขียนบันทึกไว้ประจํำวันไ้เลยห้ามจับหอบ ห้ามจับหม้อหูข้างเดียวเนี่ยบันทึกไว้เลยประกัน เ, ยเอยบางทีมันลกลุลกลนเลยจับปั๊บก็หิว้วหิ้วเลยนะเอยสีนิ้วทันทีเลยโอ้โหแปลว่าจงไงก็ไม่รู้นะเอยอย่างเดียวนี่หลงพ่อก็จะว่า เ, เขาก็ให้หูหม้อเขาว่าให้จับให้จับหูเนะ่ะแต่ถ้าหมอเห็นมหมจับหูเขาเดียวจับหูขั้นข้างเดียวปิดหูขั้นข้างเดียวหิวห้วหูท่านข้างเดียวเป็นไง หลวงพว่อเขามาคิดอีกเหมือนกันว่าถ้าเขาบิดหัะบิดทั้งสองข้างจับทั้งสองข้ามก็คงจะหนักเหมือนกันนั่นแหะว่าออแต่เราก็ไม่กล้าเถียงท่านวะท่านไม่ให้จับเราก็เอาแจกอาหารไม่ใช่ไม่ว่าพระฝรัง่งไม่ว่าพระไทยได้จับหม้อหูข้างเดียวนะโอ้โหพระฝรั่งเขาก็จําอีกเหมือนกันนะั่นแหะท่านไม่ได้เลือกใครนะหลวงตาเนี่ยไม่เลือกว่าฝรั่งไม่เลือกวัดไทยนะถึงข่าวดุท่านดุจริงๆนะ นี่แหละอันนี้ก็คือชีวิตประจําวันในตอนเช้านะออพอเสร็จแล้วท่านก็พอฉันอย่างหันบางทีท่านก็ให้พรนะ อ, อ่ท่านให้พอรองค์เดียวโดยมากโดยมากนะแต่บางทีท่านเห็นว่าบางทีก็ให้พรรวมบางทีท่านก็มองมองเห็นนะพระเหมือนเก่งเก่กลางกลานะเอา้าองค์นั้นให้พรโอถ้าหากวมาลงตาชี้ให้องค์ไหนให้พรนะ เมื่อวันนั้นนะ่ยกินข้าวไม่อร่อยเลยแล้วงานใดพ่อขึ้นให้พรกับองค์นั่นกันยะถ า, าวะเลวาหา่าไมันไม่ฟังเหรอเราให้พรนะเออทํานองว่าอย่างไรยะถ า, าวาริยะถ า, าวะเลไอ้มันวะอย่างไมาางไมันเป็นวะเหรอวะเขาใจไม่ว่ะโอ้วันไหนที่ท่านให้พระยะถ า, าวันนั้นนะ่ยแปลว่าหัวเราะไม่ได้นะ เออใครจะหัวเราะไปได้ถ้าองค์ไหนหัวเราะให้องค์นั้นให้พอรอีกทีนี่เออใครจะไปหัวเราะได้ใช่ไหมต่างคนก็ต่างก้มหน้าของใครของเราไม่มองหน้ากันแล้วงานเลยนี่ยและหลวงตาสอนพระเนี่สอนขนาดนั้นนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานคือสอนให้กล้าสอนพูดให้ถูกทางพูดพูดต้องพูดให้ถูกเออถ้าไม่พูดไม่พูดไม่ถูกไม่ได้เออยาถาวาริวาฮาปูราปาริปูเรนติสาคารัง มันต้องมีสะอาสะอูสารูนะต้องชัดเจนในคำพูดนั้นๆนี่แหละอันนี้ลวงตาพอสันทิณเอาพิจารณาแต่ลรพวกเราเนี่ยช้าเร็วเกินไปนะแต่ตามไม่จริงเวลาลวงตาเนี่ยพอให้พรเสร็จเรียบร้อยนะแล้วท่านกันนั่งกำหนดเพ่งอาหารนะกำหนดพิจารณาบาทของท่านนะอย่างน้อยสองสามนาทีถึงห้านาทีนะนานนะลูกหลานนะ แต่บางองค์เนี่ยอยู่ทั้งรังเนี่ยขั้นผู้มาใหม่ๆเนี่ยน้ำาลายไหลแล้วน่ยน้ำลายเสาะเรางั้นแต่แต่ลงตาน่นั่งกำหนดปฏิยังพิจารณาปฏิสังขาโยนิโสพิจารณาโด ย, ล ะ, โดยละเอียดบอกว่าการทานอาหารเข้าไปนี่บบเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อบำรุงาธาตุขันธ์นอยู่เป็นไปได้ เราไม่ได้กินเพื่อ อ, ร, อร่อยเราไม่ได้กินเพื่อจะอยู่ชั่วฟ้านินจะลายตายไม่เป็นไม่ใช่เราบำรุงก็เหมือนกับต้นไม้นะ่ะทำไม่ใส่ปุ๋ยใส่น้ําต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้ตายร่างกายของเราก็เหมือนกันนะ่ะต้องใช้ชีวิตประจําวันก็ต้องมีอาหารต้องมีน้ําเลี้ยง เ, เพื่อจะได้ประพฤติผมประจันหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารไม่มาเวียนไหวตายเกิดเราไม่ได้ฉันเพื่อติดรสติดชาติอ ร, อร่อยนะ ถึงจะอ ร, จอร่อยขนาดไหนก็เติมน้ำอาหารน่นะกินเข้าไปกับเท่านั้นแหละวันพุ่งเนี่ยก็ออกมากับเป็นอะไรท่านให้พิจารณาเนี่ยปฏิสังขาโยนิโสโยนิโสไปว่าโดยละเอียดทบทวนในการพิจารณานี่แหละการที่จะฉันอาหารแต่ละครางหลองตาจะนั่งพวกเราก็นั่งอีกเหมือนกันนะแล้วก็ฉันอาหารนี่แหละการเป็นอยู่กององค์หลวงตา ถ้าหลวงพ่อจะพูดในวันต่อไปนะหลวงพ่อจะพูดในละเอียดเรียงลำดับให้อีกการฉันทำยังไงถ้าหาว่าใครฉันปล่อยเม็ดมะขามลงกระตวนดังแกล้งแต่ก็มองเหลือบตาดูพอแกล้งครั้งที่สองแกล้งครั้งที่สามหูท่านไม่ได้ยินเหรอท่านวางเม็ดมะขามแนละ้วลงใจกระโถนนะได้ยินไหมเราอยู่ไกลๆเรายังได้ยินมันเสิรถึงขนาดนั้นเหรอ ทำไมเออลงตาท่านดูนะเวลาเคี้ยวอาหารก็มันกันเออเคี้ยวถั่วนะ่ยท่านดังกรอบกรอบลงตาเหลือบนูเถนะะมันเคี้ยวอะไรเคี้ยวอาหารนะทําไมมันเคี้ยวเสียงดังหูกับปากของท่านไม่ได้ยินเหรอเราอยู่ไกลๆเรายัางได้ยินแสดงว่าไม่มีสติเลยนะพออาหารเข้าไปใน ในเล่นนั่นแหละต อ, อหูดับไปหมดอย่างงั้นใช่ไหมมันติดรถติดชาติถึงขนาดร้านเชียวละไม่มีการสํำรวมเอย่าให้ได้ยินอีกนะ <c oughs> โอ้พวกที่ไม่ได้เคี้ยวเสียงดังกับเงียบท่านก็สอนเยไม่ให้เสียงดังจะทำยังไง ร, รู้ไหมวิธีการเวลาเคี้ยวถั่วเข้าไปนะจะไปกับเข้าไปก็กร๊อกร บ, บ, บเสียงดัง เวลาเอาเข้าเอาเข้าป่าแล้วก็ต้องบทเจ้าก่อนเคี้ยวงับให้แรงๆสักครั้งหนึ่งงับแรงๆงสองพอเข้าไปมันละเอียดมันกับมันมันจะไปดังได้ที่ไหนเนี่ยวิธีการทำไมมันไม่สังเกตมันไม่รู้เหรอเออจรสิ่งเหล่านี้แหละหลวงตาเนี่ยท่านสอนหมดแลหลวงพ่อนะหลวงพ่อได้ยินมาหมดนี่แหละปฏิปทาของหลวงตานะลูกหลานนะ แต่วันนี้หลวงพ่อจะเล่ายาวกว่า น, นี้เหลือกูบาทั้งหลายจะหิวอาหารนะเอาวันนี้เอาเพียงตอนนี้ก่อนต่อไปหลวงพ่อจะพยายามเล่าเล่าให้ฟังให้ละเอียดกว่า น, นี้นะเล่าไปเรื่อยๆนะท่านหลวงพ่อไม่ลืมนะหลวงพ่อแก่เท่าชราไปหลวงพ่ออาจจะเล่าไม่ได้นะหลวงพ่อพอจะเล่าให้ลูกหลานได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางการให้ลูกหลานผู้ที่มีอุ ป, ปนิสัยก็จะเดิแนวยึดแนวแถว ปฏิปทาของหลวงตานํามาประพฤติปฏิบัตินะไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นนะหลวงตาดีก็ดีเพ่นพุ้นดีก็ดีเพ่นพุ้นบ่มาคุ้มหอดเห่าคณะนะถ้าเราไม่ได้นำแนวทำแนวความคิดของหลวงตาไม่นํามาปฏิบัติเราก็เป็นคนพระถิ่ด้อยเออรียกว่าไม่ได้พัฒนาตนเองอย่างเก่านะนะั่นแหละถ้าพวกเราได้ยินได้ฟังแนวท่านนําแนว ทางปฏิบัติของท่านท่านแนะนำสั่งสอนแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติตนแล้วก็พวกเราจะเป็นพระที่ดีเออเป็นลูกสิ์ลูกหาที่ดเออีเป็นพระที่สมบูรณ์แบแบบอยู่ที่ไหนไม่ลืมตัวนะอารับพรในะทีนี้นะ